วัชีบุตรท่านเป็นลูกชาววัชีมีลูกชายคนเดียวไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ป่าช้าและท่านมีเพื่อนฝูงที่เป็นชาววัดชีบุตรชาววัชีนั้นต้องพวกญาติพร ะ, ระวงของกษัตริย์ก็มีเยอะที่เป็นเพื่อนฝูงกัน อันนั้นลังเดินจงกลมอยู่ในป่าช้าคนเดียวแล้วจะยินเสียงเขาบอกเขาจะไปเล่นอะไรนี่แหละเล่นอย่างนี้แหละคนสนุกสนานแต่ทั้งนั้นเรียกว่าเล่นนักสัตว์อะไรก็คงจะอย่างนี้มีของเราก็าคงว่าเรียกว่าเล่นที่เกล้าคอนหนังอะไรไปอย่างนั้นแต่ขั้นพุทธการมันเรีนย น, น, นักสัตว์ เสียงเอตโลโฮเฮกันไปข้างๆป่าปชาต่านกำลังบงเำเพ็ญหรราเดินดุกมอยู่ในขณะนั้นเกิดความมิตตกขึ้นในใจเขากำลังมีความสนุ ก, ล, กลื่นลื่นแต่เรามาอยู่ในป่าชาซึ่งเป็นป่าชาผีตายทั้งนั้นนะ เป็นคนที่ได้า่าได้ร า, ราคาที่สุดก็คือเรามาอยู่กับคนตาย mm hmm. เขายัางมีความสนุกรุ่นเริงกันแต่เราหาความสนุกรุ่นเริงนี้ได้มาอยู่กับคนตาย mm hmm. เราเป็นคนหาค่าหาราคาไม่ได้ตําหนิเจ้าของ mm hmm. พอหยุจจากการตําหนิเจ้าของลงก็ปรากฏว่าเทวดามีเทวดา มยย่างอยู่ที่อากาศบอกลงมาว่าท่านจะหาคนเช่นไรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าท่านซึ่งบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าช้าเวลานี้พวกนั้นเขาไปตามความง่ o เงาเขา ป, ปัญญาของเขาต่างหากเขาไม่ได้ไปด้วยอัตถิธรรมด้วยความรู้ความฉลาดที่จะยังตนให้พ้นจากทุกนี่เขา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 แล้ร่อบอกลงมาเลยได้แ ล, และลึกได้ทันทีก็บำเพ็ญธรรมในคืนวันนั้นปรากฏว่าได้บรรลุเต็มที่สุดนนทนาในคืนวันนั้นเลยก็แสดงว่าจิตของท่านไปอย่างรวดเร็วนี่เป็นอย่างนี้เองที่เหลือมันมากระิบ ว่าการ ท, ทําป็นนั้นเป็นนั้นดีการทําสิ่งที่ดีว่าไม่ดีแล้วฝ่ายธรรมะที่มาช่วยวาสนาบารมีของท่านมีเทวดามันชุดลากขึ้นให้ได้สติสตังก็าวมันเป็นเพีย น, นไปบรรลุธรรมจสนขึนน้นว่านั้นนี่เรียกว่าวัดชีบุตรคือเป็นบุตรหนงชาววัดชีมีลูกชายคนเดียวเป็นเศรษฐีด้วยเพราะแม่เป็นเศรษฐีมีเงินมากมายกันกอง ในเวลามันกล่องมันก็กล่องได้อย่างนั้นตือ ง, นนองกินเด็กแต่อาศัยคติธรรมที่เทวดามามันก็เอามาอวยพรให้มาชี้แกมาเห็นโทษเห็นไปเห็นคุณเห็นประโยชน์ทั้งสองด้านแล้วท่านก็เข้าใจและบงเป็นพุทธธรรมจนได้บรรลุถึงธรรมอันสูงยอดมันรู้สึกว่าท่านเป็นกิปบปปัญญาอยู่เช่นเดียวกัน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 จิตเมื่อได้ก็ไปสู่สถานที่นั้นย่อมไม่เกิดความเพลิดเพลินจะเห็นความสลดชงเวทในะความเกิดแก่เก็บตายของเขาของเราแล้วจิตจะได้มีบรคคือมีการยับยั้งท่างตัวพิจารณาหาทางออกโดยชอบธรรมอันจึงสอนให้อยู่ป่าช้าคือจิตนิ่งไปอยู่สถานที่ที่อย่างหนึ่งเป็นอย่างไปที่อย่า ง, งเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือสิ่งแวดล้อม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 ท่านต้งสอนให้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นเพื่อเป็นความไม่ประมาทนอนใจเราจะเห็นได้ในตัวของเราเองผู้บาเพ็ญธรรมธรรมอยู่แล้วอยู่กับหมู่กับเพื่อนไม่คือมีเพื่อนฝูงและสถานที่ไม่น่ากลัวถึงจะมีความเพียนอยู่มีจิตเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็ตามความเพียนก็ไม่คืบได้อย่างรวดเร็ว เหมือนกลับไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวเปี่ยวรู้สึกมีความอึดอัดเหนื่อยล้าเหมือนกันในขณะที่อยู่กับเปิดอกปุ๋มมากๆและสถานที่ไม่น่าจะระมัดระวังอะไรไม่เป็นสถานที่ปลอดภัยจากสัตว์ ร, ร้ายต่างๆมีเสือเป็นตน้นการบําเพ็ญองรู้สึกว่าไปอย่างเชื่องช้า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 อยู่นู้นก็มีความตายอยู่ที่นี่ก็มีความตายไปอยู่ในถานที่ใดความตายก็เท่าตัวไม่มีลดหย่อนก่อนคลายลงได้เลยแล้วกลัวอะไรน่คืออุบายสอนตรนเองอะไรอยากมากินก็กินไปสิเขากินเ้าอิ่มไปนวันหนึ่งแล้วเขาก็ตายในวันต่อไปแล้วตายในวันนี้เขาก็ตายในวันหน้าความตายมีเสมอกันขอตายให้ตายอยู่ในสนามรบคือสงครามระหว่างวิเลศกับธรรมห้ไ้ชัยชนะ อย่าได้ครั้งเผลออย่าได้ทอ้อถอยอ่อนแอตายก็ตายอย่างนักรบคือตายในสงครามไม่หวั่นไหวเหมื่อเราได้พร่ำสอนจิตทังเราอยู่ทุกระยะที่จะคิดออกไปนอกลูก่นอกทางอันจะ ก, ก่อให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาอยู่แล้วจิตก็ไม่กล้าจะคิดเพราะสติบังคับบัญชาอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นแหละคือความเพียรเมื่อความเพียรเป็นไปอยู่ด้วยสติเป็นไปอยู่ด้วยปัญญา ระมัดระวังตัวอีกเช่นนั้นจิตย่อมก้าเข้าสู่ความสงบได้ทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยสงบก็สงบได้โดยประจักษ์แก่จิตใจของตนซึ่งไม่ต้องถามใครเลยเพราะความที่จิตสงบนั้นภายในตัวเองนั้นเป็นความไม่กอควรตรัวเองเรื่องราวอะไราหายไปหมดเรื่องกลัวก็หายเรื่องอะไราหายไปหมดยังเหนือแต่ความรู้ล้นลที่เด่นอยู่เด้วยความเที่ยงตรงของจิต ในขณะนั้นเป็นความสุขความสบายปราศจากความวุ่นวายสิ่งก่อควาต่างๆโดยสิ้นเชิงเหรือแต่ความรู้กับความเย็นสบายน่นนี่คือผลแห่งการระมัดระวังความคิดความปรุงของตนเองที่จะออกมานอกรูปนอกทางด้วยสติด้วยปัญญาที่ยึดอ่านใจตรองหากห้ามจิตใจด้วยปัญญาทําความรู้สึกความคิดต่างๆด้วยสติ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 เราไปเดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนาในป่าเราก็จะถดถอนกิเลสไม่ใช่เพื่อจะไปสังสมกิเลสมีความหวาดกลัวเป็นต้นขึ้นมาภายในใจิตใจให้ได้รับความเดือดร้อ น, นท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านเห็นคุณค่าแห่งการชำระแห่งการดัดแปลงแห่งการฝึกผนทรมานตรวเองอย่างประจักษ์ใจ ท่านจึงไม่สะถกสถานในการที่จะไปอยู่ในสถานที่ใดก็าตามขอให้เป็นที่เหมาะสมต่อการประกอบความภากเพียรเท่านั้นเป็นที่พอใจความอดอยากอากาศแทนท่านมาถือเป็นสิ่งจ ำ, ำจําเป็นยิ่งกว่าการบำเพ็ญสรรมธรรมด้วยความสะดวกสบายธรรมจึงมีความเจริญขึ้นเรื่อยคําว่าธรรมก็คือความสงบ่มเย็นและอุบายแยบคลายต่างๆซึ่งเป็นเครื่องจับผัดผานกิเลสได้แก่สติปัญญานี่แหละ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 กิเลสเออกพุกพลานแล้วใจก็ต้องร้อนเพราะพุกพ่านหาเหตุหาผลนี่กิเลสมันต้องหาเหตุในทางไม่ดีหาผลอันเป็นความทุรอนทรมาร์ใส่ตัวเสมอถ้าปล่อยให้กิเลสพุกพ่านมากน้อยเพียงไรก็แสดงว่าปล่อยให้กิเลสประกอบควเอากองทุกมาขอาหล่นตนเองทั้งที่มันตั้งทั้งมันมีกองไฟยืนภายในหัวใจแต่ก็ร้อนยิ่งกว่าไฟเพราะไฟของกิเลสมันร้นอนกว่าไฟอะไรทั้งหมดดังนั้นจึงต้องระมัดระวังให้มัน ิดในเวลาเช่นนันเมื่อฝึกฝนไปนานๆ ก, ก็เลยกายเป็นความเคยชินขึ้นมาสติสตางคก็ดีไปอยู่ในที่เช่นไรก็เลยดีไปเรื่อยๆความเย็นใจอะไรจะเย็นยิ่งกว่าใ จ, ใจที่สงบใจที่สงบลงในขนาดนั้นก็เย็นนะเห็นประจากใจที่เย็นด้วยฐานต้นที่มีพื้นเพอันดีเพราะอํานาจแห่งสมาธิ ที่สมบรวมลงหลายครั้งไหลหงุดจนกลายเป็นฐานขึ้นมานั่นก็เป็นความสุขเวลาออกแยกออกพิจารณาทางด้านปัญญาก็าแยกไปหมดพิจารณาไปหมดต้นไม้ภูเขากับแยกทำให้มันเห็นลงฐานลงขันแม้แต่สัตว์แต่เสือก็เป็นธาตุเป็นขันเป็นสภาวะทมอันหนึ่งๆเท่านั้นจะไปกลัวไปเรียงกันเรื่องอะไรหาเหตุหาผลไม่ได้คือบายของปัญญา ที่พระพุทธญาทรงสั่งสอนไว้สําหรับพระสงฆ์ได้บําเพ็ญด้วยความสะดวกเพื่อการตรัตถอนเกลียดโดยชอบธรรมนั้น ท, ท่านจึงสอนเป็นจุดจาขันําคั ญ, คญเป็นลูกขมลูลหเสนาส น, างนสังหรือซาะปปะชาตัทธเตยยาบกิวังอุซาโหการันอยู่น่ะไล่เข้าไปในป่าในเขานุ่มอยู่ตารลุกขมูลล้มไม้ในป่าชาเขาที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นความสะดวกในการบําเพ็ญสำ น, าานัธรรมอันเป็น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 วิญญาคือความเพียรขันติคือความอดความทนสติก็คือธรรมสติธรรมปัญญาธรรมหมุนกันเข้าไปพิเลศอยู่ที่ตรงไหนเครื่องมือเหล่านี้หรือธรรมเหล่านี้หมุนเข้าตัวเข้าไปตรงนั้นกิเลศขยักขยายไปไล่ส่งกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีกิเรศตัวใดเหลืออยู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยสร้างหลกักสร้างฐานสร้างโคดสร้างแสตอยู่ในหัวใจเรามามากมายกลายกองเป็นไร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 ผู้ที่กล้าหาันไม่เข้าท่าเข้าทีไม่รู้เรื่องรู้ราไม่รู้จักเป็นจากตายก็คือพวกเราเพราะฉะนั้นจึงต้องได้แบกได้หานต้องไทุกข์ตลอดมาไปอยู่ที่ไหนก็บ่นต้องไดทุกข์บ่นต้อทุกข์จะไม่บ่นยังไงเราเปน็นคนกอบเป็คนผู้สอบสเสวยหาทั้งวันทั้งคืนดื่นนอนมีนแต่การสั่งสมที่เหชขึ้นมาทั้งนั้นเมื่อที่เลชเกิดขึ้นมาแล้วมันทํางานท่องมันบนหัวใจเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็บ่นให้มันบ่นนั่นก็ไม่กลัวถ้าไม่ทําลายมัน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 นั่งสังสมกิเลสเดินยืนสังสมกิเลสนอนสังสมกิเลสเดินจงแม้เดินจงกรมก็สังสมกิเลสเหมือนอย่างพวกเราเพราะเขาไม่มีสตินี่มันผิดกันอย่างนี้เดินจงกรมหยอกหยอ ก, ย ก, ยกสองสามเก้าสี่้าแล้วเฮียเสียแล้วไม่ไหวแล้วนี่นอนซะดีกว่ามันดีกว่าอะไรก็ไม่รู้เรเคยดีกว่ามานานแล้วไม่เห็นได้เป็นท่าเป็นทางเนี่ยดีกว่าไม่เป็นท่าคือพวกเราเนี่ยนั่งพอนามบ้างนิด ไม่กี่นาทีโห้เหนื่อยแนละ้วนอนจะดีกว่ามันดีกว่าอะไรก็ไม่รู้มีพวกดีกว่าแต่ไม่เห็นดีก็คือพวกเราเนี่ยมันดีแต่ชื่อดีตัวเรื่องของกิเหลสเรื่องของธรรมมันไม่ดีแล้วก็ไปคํานึงไปคิดถึงเรื่องขังนพิธการท่า น, นบรรลุเร็วเพราะงั้นบรรลุที่หน่น่าที่นี่ฟังเทศฟังธรรมก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน เราฟังแทบล้มแทบตายเรียนแทบล้มแทบตายปฏิบัติแทบล้มแทบตายเราเห็นได้อะไรมันขนาดไหนก็ไม่รู้อะแทบล้มแทบตายที่อร้องแบบกับแทบล้มก็คือล้มลงหมอนแทบตายกับตายลงหมอนตอนนั้นเองมันไม่เห็นพอที่จะดรับความลำบากระบุนแทบล้มแทบตายดังที่ว่านั้นจริงๆดังพระโพธิจารย์หรือสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาถ้าทําแบบแทบล้มแทบตายที่ถูกต้องดีงามจริงๆทอบทํามีกินอย่างท่านนั้นกิเลสมันจะทนไปได้เหรือเพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันกับครั่งกุตการ ธรรมะที่นำมาปาดอาหารพิเรดก็คือสติคือปัญญาศรัทธาความเพียรเหมือนกันหากว่าสิ่งเหล่านี้มีกำลังเพียงพอกิเรดจะต้านทานได้อย่างไงมันจะต้องล้มจมชิ้หายผลปีไปเช่นเดียวกับข้างกุตฏกาศแต่นี่เราเิียงเพียงไปเหยะเหาะไปแย่แย่มันนั้นพอมันตื่นขึ้นมามันก็ตวาดเราเอาอนี่เหนื่อยแล้วนะ เ, นเห็นไหมมันตวาดนี่เหนื่อยนะไม่ไม่เป็นท่าแล้วเนี่ยเราพักผ่อนหน่อยเถอะสบาย นอนก็ดีกว่ามัอะไรบ้างทําใำเล็กๆน้อยๆก็โสมกิจโสงใจไปนู้นไปตามเรื่องกิเลสตัญหาอาสวะที่ไหนไม่รู้เราขอบเขตจักรวาลไหนจนไม่คํานึงคำนงณพอจะได้สติฟื้นกลับขึ้นมาแล้ว โ, โหนี่นั่งภาวนาทั้งนานแสนนานยังเห็นได้เรื่องอะไรเลยนี่ห่วคั้งพุทธการท่านภาวนาได้ครั้งเรานี่ภาวนาแทบตายทำไมไม่เห็นได้ก็แทบตายแต่คิดจนแทบตายยุ่งจนแทบตายไม่เห็นค่ากิเลสจนแทบตายเลยนี่เป็นอย่างนั้นล มันก็ไม่ได้เหตุมันไม่ตรงกับความจริงผลจะตรงกับความจิงไปได้อย่างไรเหตุตรงกับความจิงก็ดังที่ท่านพาดําเนินมาสติก็ให้มีดังที่ท่านว่าปัญญาซึ่งควรจะขุดค้นกิเลสประเภทใดก็ให้มันมีความแยบคายทันกับเหตุกับผลทันกับคุณมายาของกิเลสกิเลสก็ต้องหลุดรอยอไปโดยไม่ต้องสงสัย นี่คือควรแก่เหตุเป็นอย่างนี้ผลก็เป็นผลที่พึงพอใจเกิดขึ้นโดยลำดับอะไรจะแก้ยากยิ่งกว่ากิเลสไม่มีอะไรแก้ยากข้ายากที่สุดก็คือกิเลสมันไม่ได้ตายง่ายๆมันเหนียวแน่นแก่นกิเลสจริงๆเพราะฉะนั้นจึงต้องเดใช้ประโยคพยายามกันเต็มที่เต็มฐานทีเดียว ทุ่มเทกันลงบางครั้งต้องมอบชีวิตจิตใจมันจะตายก็ตายถึงเวลาที่จะสู้กันแล้วอ้าวตายก็ตายไม่ตายให้หรู้ไม่ตายให้ชน ะ, ะมันต้องฟาดฟันกันลงขนาดนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วกิเลสมันยอมสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งที่อัศจรรย์ไม่เคยรู้ก็เห็นเลยตั้งแต่วันเกิดมาก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆพระความเพียรอัศจรรย์นั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 ไม่ถูกทำลายต้องถูกทำลายและคิดหายไปอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยไม่เช่นนั้นก็มรมนิยมยบบสวัสดิ์คาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วและไม่เช่นั้นกรรมรียกว่าอนิยานี่กรทำคือนำผู้ปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ประเดิมดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้นจะมีทางสงสัยที่ไหนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีทางสงสัย้เรื่องสงสัยอัดสงสัยทำสงสัยมรรคผลนิพพานมันเป็นเรื่อ ง, องกิเลส ยุแย่ต่างหากนี่มันไม่ให้เราปฏิบัตินี่นออย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้อย่ามากผลอิพานหมดแล้วสิ้นแล้วทำมาทลัยก็ไม่เกิดผลอ่ะเวลาทำกิเลสสร้างสร้างกิเลสมันทําไมเกิดผลเออสร้างความโลภก็เกิดความโลภขึ้นมาสร้างความโกรธก็โกรธความเกิดความโกรธขึ้นมาสร้างความหลงเกิดความหลงขึ้นมาเสริมความโลภความโกรธความหลงมันก็ จเจริญเติตัวขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยทำไมสร้างกิเลสส่งเสริมกิเลสมันทําไมเกิดเป็นกิเลสขึ้นมาสร้างอัจสร้างทําส่งเสริมอัจส่งสมทำทำไมจะไม่เกิดทําไมจะไม่มีก็อยู่ในเราคนเดียวกันนี่เนี่ยสร้างอะไรก็มีนั้นถ้าไม่สร้างก็ไม่มีสว่างนี่อยู่กับเราจะให้กิเลสมันหลอกลวงเราได้อันนั้นปีเท่านี้เดือนมันก็นนต้องหลอกเจ้าของทําไปในปัจจุบันปัจจุบัน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 สมกับความรับผิดชอบตนเพราะจิตมีความหวังความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่เคยจิดจางเลยความหวังอันนี้ประจําอยู่ภายในจิตไม่มีใครที่จะจืดจางแม้จะทุกข์จนหนโลกขนาดไหนก็ตามความหวังความสุขความเจริญนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นภายในใจเป็นแต่เพียงว่ามันเป็นไปไม่ได้เท่านั้นเองหรือเมื่อพอที่เป็นไปได้แล้วทําไมจะใครทําไมจะไม่อยากได้นี่เราเป็นผู้ควรควรอยู่แล้วที่จะสร้างความสุขความเจริญให้แก่จิตใจด้วยอัดด้วยทําเราควรจะทําไปโดยลําดับยําเน สมกับเรารับผิดชอบเราทั้งเป็นทั้งตายตลอดการในลายืนเดินนั่งนอนอายาบททั้งสี่เรามีความรับผิดชอบในตัวของเราอยู่เสมอจึงสร้างความหวังให้แก่ตัวโดยลาดับลำดับความหวังเมื่อบรรจุเขา้าิใจแล้วเป็นผู้มีหวังเป็นผู้มีหวังเป็นผู้สมหวังไปเรื่อยจนกรทั่งถึงสมหวังโดยตลอดสายเลยสมหวังอย่างพึงพอใจดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้สมหวังเป็นที่พึงพอใจ รนะับผิดชอบได้จนถึงที่สุดจุดหมายปลายถักเราก็พยายามสร้างความดีให้พอสร้างขา้อติใจเนี่ยใจนี่แหละคือภาชนะสําหรับทำทั้งหลายบรรจุข้อติใจที่เลศเคยไปบรรจุอยู่ในใจนั้นมีมากมายกายของใจยิงกลายเป็นของสกโปกเป็นภาชนะที่โสกโรกด้วยสิ่งที่สกโรกทั้งหลายคือกิเลศ มีพยายามช้าล้างสิ่งที่สปกปรกภายในภาชนะคือจิตนั้นออกโดยลาดับลาดับนำธรรมะปฏิบัติธรรมะส่งเสริมธรรมะให้เกิดท่านมีขึ้นภายในใจกลายเป็นภาชนะแห่งธรรมขึ้นมาแทนที่ของกิเลสเราจะมีแต่ความเกษมส้ำรานทั้งปัจจุบันอนาคตตลอดกาลไหนๆก็ตามทามเมื่อมีธรรมคือความดีงาม เป็นเครื่องมันอยู่ภายในจิตใจแล้วผู้นั้นไปใส่ก็ไม่จนกรอกจนงมุมมีความสุขความสบายอยู่กับใจนั่นแหละไม่ว่าจะไปเกิดในสถานที่ใดใดก็ตามไม่สําคัญสําคัญที่ให้มีธรรมอยู่ภายในใจความดีอยู่ภายในใจใจนี่แลจะเป็นผู้ไปหัวใจมีธรรมแล้วใจนี่แหลจะเป็นผู้มีสุขไปอยู่สถานที่ใดก็ไม่ปราะศะจากสุขเพราะสุขอยู่ที่ธรรมธรรมอยู่ที่ใจเป็นผู้สมมติสมหมาย เอาละการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรวันนี้ดีกิพย์ยังทำ